ต่อไปเกี่ยวในเรื่องของอุปตัติเหตุเป็นที่เกิดนะอุบัติเหตุอุบัติเหตุเนี่ยนะอุบัติเนี่ยแท้จริงท่านบอกว่าช่วงสองเนี่ยนะสัตว์และสังขารทั้งหลายที่เป็นอิทธารมในอารมณ์ที่น่าปรารถนาเป็นเหตุนะเป็นเหตุก็คือเป็นที่เกิดของเวทนาสังขารนี้ได้แก่อะไรเนี่ยสัตว์และสังขารเนี่ยนะสังขารได้แก่ไม่น่าเขียนนี่เลยอารมณ์หจัดก็เป็นสังขาร เสื้อผ้านี่เป็นไหมเนี่ยม응ีรูบารม์ไหมมีศ like รัทธารมไหมมีเสียงได้ไหมโยอดแรงๆมีเสียงไหมมีมีกลิ่นไหมมีรสไหมเนี่ยต้องชิมด้ยดิมียิงด้วยแต่เด็กเคยชิมเลยนยสัมผัสมีไหมสัมผัสนะให้ทําบารม์ได้ไหมหอมแล้วเป็นยังไงรู้สึกทุบหรือสุขใชเราก็เลือกอย่างดีแล้วถึงใส่มาใช่ไหม หยิบแล้วยิบอีกเลยใช่ไหมคิดหลายรอบไหมปฏิสังขาโยนิโสจีวรังพิจารณานี้ก่อนไม่ได้พิจารณาเลยดีไม่มีมดอยู่ข้างในด้วยนะที่จริงเนี่ยเขาให้ปัจเจเวคขณะคือการพิจารณาก่อนบริโภคก่อนใช้สอนป้องกันอะไรป้องกันความหนาวได้ไหมไม่ร้อนเกินไปไมห่หนาวไม่เย็นเป็นต้นนีนป้องกันเนี่ยเหลือบยุงไร ล, ลมแดดแร่สัตว์เล่ย์ามทั้งหลายเนาะใช่ไหมจ้า แล้วก็เพื่อจะป้องกันอะไรอืปกปิดเพื่อใหอ้ไม่ให้เกิดความละอายไม่ให้เกิดความละอายแล้วก็จริงๆถ้าหากว่าเร า, าพิจารณาถึงประโยชน์ในการที่เราจะเน้นสังขารเหล่านี้เป็นปจนะัจจัยไหมสัตว์และสังขารที่เป็นอิฐถารมก็หมายความว่ า, วารูปารล์ที่เป็นอิฐถารมก็เป็นที่ตั้งของสุขเวทนาเป็นอุบัติเหตุของโสขเวทนาเป็นเหตุเกิดของสุขเวทนาว่านั่นเถอะ ฉะนั้นเราจะปรับบสีก็ได้เนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยปารับสีปารับเสียงปารับเสียงคนอื่นได้ไหมใส่ไปแล้วก็จะชมเราหรือไม่ชมได้ใช่ไหมเอาแล้วชุดนี้หลาเราใส่ไปเราจะได้สุขเวทนาเนี่ยก็เตรียมใส่เลยก็เดินออกจากบ้านเลยเดินวนดูสักสามรอบมางคนต้องถามแม่บ้านก่อนเอาช่วยชมหน่อยจิ้นตื่นออกนอกบ้านจะ่เสาะหาเสียงชมไม่ได้เอาในบ้านก่อนเนี่ยประจํากัาไวน้นะ ใครเป็นพอน่อบ้านจะใส่ชุดไหนโดนบ่นเยอะๆก็อย่าใส่เค ย, เคยบางชุดเนี่ยใส่แล้วพวกยิ้มตลอดทั้งวันก็ได้นะเอาลองใส่ดูสิใส่บางชุดก็ได้เดินไปที่ไหนเขาพากปนยิ้มเลยได้ไหม <c oughs> ยอนสมานคิดออกนะ <c oughs> ไหมเจมะเขาใส่ึีบอกเ้าให้สุขเวทนาได้ไม่ยากหรือไงก็ก็แล้วแต่ทุกว่าทุกวันนี้ก็ก็เดินมากเขาไม่ค่อยใส่สีอะไรกันนะสีที่เขาไม่ค่อยอยากใส่เลย สีแดงก็นีเดียก็ก็นี่แหละแท้ที่จริงเนี่ยนะรูปารมสัทธารมคันธารมรัการมโผฏฐารลมและธรรมารมเนี่ยเป็นสังขานเท่านั้นแหละมันเป็นที่ตั้งของความชอบและไม่ชอบและเป็นที่ตั้งของสุขหรือทุกข์ใจได้และเป็นที่ตั้งของเฉยๆเป็นต้นก็ได้ใช่ไหมยังพพระเนี่ยเมื่อไรเมื่อไรก็สีเนี่ยใช่ไหมใส่สีเดียวไปได้ทุกที่เนี่ยนะก็เท่าไหรว่าบางทีก็เป็นที่ตั้งของสุขเวทนาได้ บางครั้งก็เป็นที่ตั้งของทกเขาเวทนาอะไรเงี้ยนะใช่ไหมเวลาเราไปเขาต้องบอกว่าพระเนี่ยถ้าหากว่าถ้าป่วยหรือสุขภาพไม่แข็งแรงเนี่ยท่านก็จะไม่น้อมหาวหาจีวรที่หนาและหนักเกินไปนะแม้ในจีวรท่านก็ยังต้องพิจารณาอะไรเงี้ยแลสันโดษเนะี่ยถ้าสันตุถีปรามังทนังเนยความสันโดดก็เป็นซั์เป็นอริยรับอย่างหนึ่งนะสันโดษนี่จัดเป็นอริยซับเนะี่ย มีอยู่ครัง้งหนึ่งใชสังคมไทยเนี่ยห้ามห้ามไม่เอาให้ไม่เอาสันโดษมาสอนกลัวประเทศชาติไม่พัฒนานี่ไม่เข้าใจสันโดษจริงๆสันโดษ ด, ดีไม่ดีสันโดษเนะี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องเขาแปลว่าเหมาะสมเช่นเราจะไปใส่ตัวเราก็ดำดมเลยใส่ชุดแดงเดินกลางตลาดดูดีไหมแดงปัดเลยเนี่ยนะแต่ดอมปีเลยเนี่ยนะใส่ชุดแดงเลยดูดีไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนะ ก็แปลว่าก็ต้องดูยังไดูความเหมาะสมเดี๋ยวนะี้ก็เป็นส้นโดดก็คือเหมาะฉะนัอารมณ์หกเนี่ยรูปอารมณ์ศัทธาอารมณ์กันตาอารมณ์รักาอารมณ์ปวดตาอารมณ์เร่าอารมณ์อแม้แต่เสื้อผ้าผืนหนึ่งก็ได้อารมณ์หกแล้วใช่ไหมจะเขาเรียกสังขารเนี่ยเก้าอี้ได้ไหมได้อารมณ์หกไหมเนี่ย ไ, ได้ไม่ได้รูปอารมณ์เนี้ยเข้าไปในบ้านปุ๊บบางทีเราเห็นเก้าอี้ปุ๊บเนี่ยให้ทุกเวทนาได้ไหมให้โต๊ะอาหารเห็นโต๊ะอาหารแล้ว เกิดทุกขเวทนาก็ได้สุขเวทนาก็ได้ใช่ไหมถามว่าโต๊ะสวยๆเนี่ยให้สุขเวทนาหรือทุกขเวทนาฮะให้สุขหรือให้ทุกหรือให้เฉยๆอ่ะพต๊ะอย่างงามเลยเนี่ยให้สุขให้ทุกหรือให้เฉยๆสุขเวทนาถ้ากาดมีแมวไปถ่ายอุ่จาระไว้บนนะมาตัดใช่ไมมันก็แค่นิดเดียวใช่ไหมมันเปลี่ยนได้เลยในีเวทนาเนี่ยถ้าเรียกสังขารเนี่ยมันมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสภาพที่ว่า มันให้เขาทุงบอกว่าถ้าเป็นอิทถารมอิทธารมเนี่ยมันยังเป็นอิทธารมแบบประเภทที่โดยสภาวะของมันเองหรือโดยปริกระปะก็ไว้ว่ากันเลยบางทีบางทีสังขารบางอย่างเนี่ยไม่น่าจะเป็นอิทธารมได้ใช่ไหมได้ไหมถ้าถามว่าในหลุมหลุมคูดหลุมอุจจาระเนี่ยเราไม่เคยคิดเลยว่ามันเป็นอิทธารมของหมูนอนใช่ไหม ใช่หมแต่โมนอนก็ยังอิทธาลมก็มากอิทธาลมก็มากก็ศึกษาพระธรรมกันพระก็ก็เล่าเราเรื่องอิอทธาลมเนี่ยเทวดาเทวดาก็ก็สวยอารมณ์ที่เป็นทิพไอ้นอนก็สวยอารมณ์ที่หยากที่ที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยนะแต่เชื่อไหมว่าเขามีความเพลิดเพลินทั้งคู่เทวดาสงสารหนอนนอนสงสารเทียนนอนก็สงสารเทวดาเทวดาก็สงสารหนอน เทวดาก็นึกถึงเพื่อนก็อยากจะช่วยเพื่อนพระก็รออย่าจมาฟังอามอสอามอเป็นเรื่องแปลกดีก็เรื่องในธรรมบทก็มาก็โอ้อุตส่าห์แบบแสนจะทรมารแสนจะอิสสรเย็นมาเรียกเพื่อนเพื่อนจําได้ไหมให้มารอยต้องต้องบอกอุจล่านี่โมกเถินจะทรมานอยู่แล้วใช่ไหมก็บอกเพื่อนว่ามองเห็นเพื่อนน้ำตาไหลอยากจะร้องไห้เลยบอกเราอยู่บนเทวดาบนเทวภูมิเนี่ย คิดอะไรก็ได้สมปรารถนาในรรทำมาบดนะไม่ทำมาบดนอนก็นอนก็ร้น อ, นองไห้สงสารเพื่อนบอกโอ้อยากให้อยากให้เพื่อนมาอยู่กับเราแล้วก็ลเล่าให้เราย่างนั่นขงขมที่แรกนึกว่าเขาเล่าเรื่องเล่นๆนะามาแล้วนึกแค่จำไม่ได้ไปดูในทำมาบทถ้าท่านแปลทำมาบทมาจรินอาจารย์มีมีจริงๆริ ง, รงก็เรื่องนี้มีจริงมองมองแปลกดีเนะี่ยนี่มันเรื่องจริงนะเนี่ยก็บอกว่าทําไม คือต้องการจะเย็นแนนำให้เพื่อนเพื่อตายไปเกิดเป็นเทวดาอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยเองบอกว่ า, าเองน่ะหน้าทุ้งตาเองจะกจินอะไรเองต้องคิดทีชิลล์นี่เราไม่ต้องคิดเลยก็มาส่งทุกวันนี่แล้วว่าไงเนี่ยยังยอมวางไงดีอย่างนี้ใครเว็บผลิตเนาะนอนเนี่ยนอนนั่ น, น, น, วฤฤ น, น, น, นวีผลิตเนี่ยนอนมันมีผลิตเยอะ ใช่ไหมมันวิบปรลิตแล้วอันนี้มันก็เป็นที่ตั้งของสุขเวทนาเขานี่ถ้าถามว่าสุขเวทนาเนี่ยบุญเนี่ยบุญเนี่ยนะกุศลกรรมเนี่ยเป็นปัจจัยเกิดสุขเวทนาใช่ไหมใช่เอาละสิเธอเนี่ยสแสดงว่าหนอนเนี่ยกุศลกรรมส่งผลเขาใช่ไหมใช่ไม่ใช่ก็าตงได้สุขเวทนาอิ่มท้องทุกวันเนี่ยเอาเราจะอธิบายไงเออใช่กุศลสง่งผลเขาเจะว่าไงดีเอานายบดานนักเรงธรรมะทั้งหลาย ที่จริงมันอกุศลส่งผลเขาทําให้เขาเกิดวิปริมณมนสิการเห็นเห็นสุขเห็นทุกข์ด้วยความเป็นสุขใช่ไหมมันสุขที่ไหนแล้วใช่ไหมไอจิตที่เขาเกิดขึ้นมันใช่มหากุศลหรือโลภะมันเป็นมหากุศลรือเป็นโลภะเนี่ยให้ยอมสมานเป็นโลภะหรือเป็นมหาอกุศลที่เกิดขึ้นกับเขา แต่แต่ตอนนั้นมันไม่ใช่หมาอุศน์แล้วที่เขาชอบใจแย่งกินแย่งกินอาหารกันอยู่นั่นไม่ใช่แล้วก็คุยเรื่องอื่นที่กว่ามั่งเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปยอมนึกถึงเรื่องนี้ก็จะใช่ไหมอันนี้เราบระกอบนี่สุกเวชนาของเขาเป็นโลพาสมนะฮะมันไม่ใช่หมาอุศส์สมนะฮะแล้วเขาวิปลิตมนสิการเลยหมดแล้วใช่ไหมทั้งๆ ท, ที่อักุศแล้ววิบากให้ผลน่ยนะ มีกลิ่นก็เหม็นอย่างนั้นอยู่ในน้ำคล้ำอาหารก็หยาบสุดๆแล้วไม่รู้จะหยาบยังไงแล้วใช่ไหมอกุศลนั่นแหละเบียดเบียนเขาเขาเกิดอโยนิโสมนัสิการขึ้นมาเขาก็คิดผิดเขาเกิดโสมนัสจริงๆไม่จริงแต่เป็นโลภะโสมนัสมันไม่ใช่มาอากุศลโสมนัสฉะนั้นคําว่าเป็นที่ตั้งของอิทธารลมเนี่ยแปลว่าเป็นที่ตั้งให้เกิดโสมนัสโลภะก็ได้ หรือสมะนะที่เป็นมหากุศลก็ได้ฉะนั้นอย่าไปคิดว่าถ้าเราเกิดความดีใจแล้วมันจะเป็นบุญหรอเข้าใจยนะังมีคนมาชมว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้คุณแต่งดวงามมากแล้วเราก็ดีใจขึ้นมาเนี่ยใช่มหากรุชนไหมไม่ใช่เพราะไม่ได้ปารบศีลกุศลไม่ได้ปารบภาวนากุศลอะไรเลยตอนนั้นนะ่ะเข้าใจนะตอนนั้นมันเป็นไปกับความยึดความติดความยินดีความเพลิดเพลินความลหลงไหลแต่ถ้ามีใครมาบอกว่า โอ้คุณแต่งตัวยจะดูทําให้มาดูทําให้เห็นบอกว่าทําให้ไม่ประมาทนะเพราะเห็นการแต่งตัวของคุณแล้วทําให้คิดถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างเงี้ยจะเกิดปราโมทขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเกิดปราโมทขึ้นมาอย่างนี้นะโอ้อย่างเงี้ยเป็นกุศลก็บอกแหมเห็นหน้าคนทุกวันทุกวันนี่เห็นความแก่ของคุณลงทุกวานทุกวันเลยพระพุทธเี้ยนะ เราก็โอ้ยปลาม้อเดี๋ยวคุณเห็นสัตธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างเงี้ยชัดพอไปบอกแล้วก็ไม่อยากจะไปคุยกับเขาอีกเลยนี่ไม่ได้นะอย่างเงี้ยเอออย่างนี้เจอกัญญาณมิตรหรือยังเจอแล้วเจอไหมถ้าก็มาบอกว่าโอ๊ยเนี่ยแม่สมัยก่อนดูแม้ผิวพันก็เปล่งปังใช่ไหมแต่ในปัจจุบันนี้นะว่างั้นนะผมขนเล็บฟันเป็นต้นเหล่าเนี้ก็เริ่มจะหย่อนยานลงใช่ไหม ออบอกสภาพร่างกายเนี่ยป้าศาสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นท่านตรัสน่ยจริงแท้ไม่แปรผันเป็นอย่างอื่นเลยแต่ก่อนผมเคยงามเดี๋ยวนี้ก็กลับเหมือนอย่างกับเหมือนกับเชือกเหมือนกับปอไปแล้วสมัยก่อนหน้าก็เต่งเต่งเดี๋ยวนี้ก็เหี่ยวเลยย่นใช่ไหมแต่ก่อนจมูกก็โอ้ยงามโก่งเดี๋ยวนี้คตรอย่างกระหางไถเอะไรเนี่ยนะแต่ก่อนฟันนี่โอ้ยงามในแบบในปัจจุบันนี้โอ้ยดูอย่างก็ไอเหมือนเอามเมล็ดฟักทองไป เสียบไว้ไก่ดินเหนียวนะนี่ก็โอ้ยดูอะไรเงี้ยก็เริ่มเห็นความจริงของสังขารใช่ไหมแล้วก็นึกถึงพระพุเจ้าเนี่ยตแต่คาไหนก็จริงแท้ไม่แปงฝันไม่แฝงผังก็ไข่ควรถึงพระธรรมคําสอนของพระเจา้าอย่างนี้ได้บุญนะมแต่ชอบฟังไหมแบบนี้ชอบไม่ชอบฮัลโหลยังอยู่เลื่อนไม่กว่าตายแล้วสมมจะโทรไปหาไหมโทรไม่โทร มอกแต่โตสายนี้ที่ใดก็จะพูดปลาลบคําแรกก็แค่ น, นี้พอฮัลโหลด้ยอ๋อยังอยู่เลยนึกว่าตายแ ล, แล้วใครจะยินแล้วใจเสียไหมในอะไรก็พูดเรื่องจริงไงบางทีก็มีนะมีจดหมายเขียนมาด้วยคนที่เป็นโรคหนักๆบางทีตั้งโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้ติดต่อไปนานใช่ไหมหนี่ทางมูลนิธิ อ, อะไรก็ยังมีจดหมายมาแล้วปัจจุบันนี้ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้ามีให้จดเขียนจดหมายตอบด้วยให้เขียนจดหมายตอบด้วย แล้วเวลาตอบจดหมายไปตอบได้โทรสะได้โลภะได้โมองหาหรือตอบได้มหาภวชนว่าคุณตายดีนะเขียนอัดกันไปเขียนทุกคําโมยเป็นโทรสาวหมดเลยนะกายก็เป็นกายทุจะริตเขียนก็เขียนปากก็บน่นใจก็โกรธเขีนยนใหญ่โอ้เขียนได้หลหน้าเลยนะเคยไม่เคยเขียนจดหมายด่าคนเนะอาสมัยก่อนบางคนก็เขียนจดหมายด่า ก, กันตายก็นีนะเครดูเคยเคยศึกษาสามกงไหม เียนเนี่ยหม้ยด่าตายเลยอเขียนเขียนไปเนี่ยอีกคนนี้อ่านอ่านอ่านไปเลือดไหลออกจาปากตายกันนี่ยบอกโอ้ไม่ไหวแสดงเขียนด้วยความแค้นเลยใช่ไหมเขียนด้วยความแค้นเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกว่า อ, อุปัติก็แปลว่าเหตุเป็นที่เกิดอันนี้เข้าใจายังไหมว่าอารมณ์โกเนี่ยเป็นเหตุเกิดของบอกว่าสัตว์และสังขารสัตว์นี่ก็หมายเอาอะไรหมายเอาบุคคลแล้วก็สิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั่นแหละ สังขารก็เอากลุ่มพวกอารมณ์ทั้งหลายนี่แหละเอาโต๊ะเก้าอี้อาหารอะไรต่างๆเป็นที่ตั้งในหมดเลยนะอาหารเนี่ยนะอาหารบางอย่างก็เป็นที่ตั้งของสุขเวทนาเมื่อกี้ ว, ว่าเราไปรับประทานอาหารว่างกันเนี่ยเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาไ ห, นไหมเป็นไม่เป็นหรือหรือเวกขาอันนั้นก็โดูตรงนั้นทต่นี่มันถ้าเป็นที่ตั้งของสุขเวทนาก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่อย่าต่อด้วยอะไรถ้าสมนัสเวทนาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต่อด้วยอะไร ตอด้วยตัณหาต้องระวังตรงนี้ใช่ไหมตะโธมันสเวทานาเนี่ยต่อไปก็คืออะไรสัตว์และสังขารที่เป็นอนิถารมอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเป็นเหตุเป็นที่เกิดแห่งอะไรแห่งทุกขเวทนาและก็สัตว์และสังขารทั้งหลายที่เป็นมัชตารมคืออารมณ์บรรกลางนี่เป็นเหตุเป็นนิตั้งเป็นที่เกิดขึ้นแห่งอะไรอาทุกขมสุขเวทนาฉะนั้นก็อุปาทิเหตุเนี้ยพึงทราบความเป็นอิทารมและอนิถารมโดยถือเอาลกะ อาการของเวทนาจากวิบากให้ถือเวทนาจากวิบากนะคือจากสิ่งที่ได้รับให้ให้ถือโดยอิถารมและนิทารมโดยการถือเอาด้วยอาการของเวทนานั้นจากวิบากก็หมายความว่าอย่างนี้เนาะบางทีในกุศลกรรมแนละกุศลกรรมที่เราทํามานี่นะที่เราทํามาแล้วเป็นเหตุนะอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าที่เราเห็นดีและไม่ดีเนะี่ย ได้ยินดีแล้วไม่ดีได้กลิ่นดีแล้วไม่ดีได้ริมรถดีไม่ดีได้สัมผัสดีแล้วไม่ดีเป็นต้นเนี่ยนะได้รู้อารมณ์ดีแล้วไม่ดีเป็นส่วนมากในชีวิตจริงเนี่ยอันนี้มันมาจากกุศลวิบากและอกุศลวิบากกุศลวิบากและอกุศลวิบากเนี่ยมาจากเหตุก็ค ok ือกุศลและกรรมและกุศลและกรรมใช่ไหมเขาถึงบอกว่าในโลกใบเนี้ยเป็นที่ดูบุญดูบาปดูผลบุญและผลบาปดูสัตว์กําลังทําบุญและทําบาป ในชีวิตจริงเราเห็นตัวนี้มะแล้วได้มองลงตรงนี้ไหมว่านี่ตอนนี้รากกำลังรับผลของบุญและของบาปอยู่โดยเฉพาะการฟังพระธรรม น, นี่กำลังรับผลบุญเใช่ผลบุญอผลบุญหรือผลบาปเป็นบุญยาวนานไหมก็ยาวนานใช่ไหมตั้งแต่บ่ายโมงเย็นถึงห้ามงเย็นเนี่ยแต่ถามว่าผลบุญส่งอยู่ตลอดเวลาไหมบางทีแอบไปรับบาปบ้าง <laughs> กาลังนั่งนงอยู่นี่อา้าว ไม่ยอมเอาบุญแล้วมันจะไปเอาบาปอยู่เรื่อยเลยนะบางทีก็เนี่ย ม, มีมแีแมลงมากัดบ้างหรือเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆมากระทบกระทั่งบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมขนาดไม่แอ บ, บหลบห้องตรงนี้นะกล่าวว่าเอาบุญจะได้ส่งผลได้เต็มที่เอ้าโยนิสอเมริการไม่ค่อยเกิดแต่ว่าบาปเกิดทั้งๆ ท, ง ท, งที่ตาหูจมูกเล่นกายรับบุญแต่ใจก็ทาบาปก็อย่างงี้ก็มีทาไมไม่มีใช่ ทั้งๆเนี่ยฟังธรรมะเปิดนี่แหละเปิดธรรมะไปใจคิดบอบเลยเคยเคยเป็นไหมเนี่ยเปิดธรรมะไปอยู่นี่แหละอตาเราก็มองเลืเอ่ออก็อาไปดูมันจะทําไปดูไม่ทําไปก็ <c ười> <c ười> ไปมองคนทําให้ดีก็ใจก็ขัดข้องกับการทําดีแล้วไม่ดีหัวก็ฟองธรรมะใจก็คิดอีกเรื่องเคยเป็นไหมแบบนี้แล้วก็สลับไปสลับมาอย่างนี้ครับคาถ า, ถามเนี่ยมถ้าตอบตรงๆก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่พระเจ้าเป็นยุทธชวอาทีนะ ต้องแยกเยอะ ย, ย้อมยอนหมานว่างไงตอบว่าไมีอาจารย์ใช้ให้เต็มที่เลย <c oughs> สบายเลย <c oughs> คือคือปัญหาเนี่ยเวลาถามเนี่ยผู้ถามเนี่ยต้องเข้าใจเหมือนกันเนาะว่าบางทีในการถามสัตว์บุคคลเนี่ยอย่างยกตัวยอย่างเช่นนะในบางสูตรนี่นะพระพุทธเจ้าถามว่า อ, อมีคนไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่า อ, อ่า บอกบุคคลเป็นผู้สวยสุขเวทนาใช่ไหมพระเจ้าไม่พึงถามอย่างนั้นบุคคลเป็นผู้สวยบุคคลเป็นไม่เป็นผู้สวยสุขเวทนาใช่ไหมไม่พึงถามอย่างนั้นบอกจะว่าบุคคลสวยสุขเวทนาก็ด้ไม่ได้จะว่าไม่สวยสุขเวทนาก็ไม่ได้ใช่ไหมบอกไม่ไม่พึงถามสิ <c oughs> เอาไปเจอปัญหางียุ่งเลยเนาะใช่ั้ม <c oughs> <c oughs> คือพระเจ้าปฏิเสธไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องบุคคลไม่มีอยู่เนาะบุคคลนี่เป็นสัตว์ไงเป็นเป็นเป็นสมมุติเนาะต้องให้เข้าใจตรงนั้นก่อนคําว่าบุคคลนี่เป็นสมมุติแต่สภาวะธรรมมันมีอยู่ในการสมมุติของสัตว์บุคคลนะจริงไหมโย่เช่นสุขเวทนาเกิดขึ้นในกระแส ข, ขันทงโยมมีอยู่ไหมมีสุขเวทนาเกิดขึ้นนะทุกเวทนาก็มีอยู่และเวขาเวทนาก็มีอยู่ เวทนาทางกายก็มีอยู Humans ่เวทนาทางใจก็มีอยู่และกระแสของเวทนาเหล่านี้ก็ม like, er. ีการสลับค้าเข้าอยู่ตลอดเวลาเลยบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์บางครั้งก็เฉยๆอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมและในขณะที่สุขทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในกระแสขันของโยมนั้นน่ยบางครั้งโยมก็ชอบใจบางครั้งโยมก็ไม่ชอบใจบางครั้งโยมก็เฉยๆใช่ไหมครับางครั้งก็เกิดโลภะบางครั้งก็เกิดโทสะและในขณะเดียวกันโยมก็ทำกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมเป็นไปตามสภาพของ ความชอบใจและไม่ชอบใจเป็นต้นนั้นกระแสของวัฏฏะมันเป็นแบบนี้เนาะมันก็จะเป็นไป ล, ลักษณะเนี้ยฉะนั้นการเกิดมันจึงตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยทีนี้ประเด็นที่ยอมถามบอกว่าบุคคลเนี่ยทํารับกรรมรับแรงต่างเท่ากันหรือไม่เท่ากันเนี่ยมันก็ต้องบอกว่าเรื่องกรรมเนี่ยแต่และบุคคลทํามาเนี่ยไม่เหมือนกันเลยและต่างกันโดยสิ้นเชิงจะไปบอกว่าท่านผู้นั้นอยู่นานนั้นเพราะเขามีบุญมากไม่ได้ ว่าอยู่น้อยก็มีบุญน้อยก็ไม่ใช่เป็นเครื่องวัดถ้าหากไปอยู่ในใบยภูม <c oughs> เขา <c oughs> เขาอยู่น้อยดีไหมเห่นไหมถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เขาทุกเวทนาอย่างมากเลยเนี่ยอยู่นานดีไหมเห็ <c oughs> <c oughs> นไหมก็ต้องไปดูหลายๆอย่างพอดีน้ำมันาวแสบคองไงเป็นไหมเป็นนะนั้นเวลาไปพิจารณาตรงนี้อย่าเอานานหรือไม่านานในตัววัด อาตัวว่าที่เขากําลังประสบนั้นมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเนอะนั่นส่วนหนึ่งว่าเป็นอกุศลกรรมหรือกุศลกรรมกําลังเบียดเบียนเนอะถ้าเป็นมนุษย์นี่นะอกุศลกรรมเบียดเบียนอย่างรุนแรงเลยเนี่ยยิ่งอยู่นานยิ่งดีมคือสมมติว่าถ้าเขาตายจากตรงนั้นไปแล้วเขาจะไปตกต่ํากว่านั้นอีกดีไหมอ๋อสมมตินะว่าตอนอยู่เนี้ยเขามีโรคภัยแค่เจ็บเบียดเบียนตลอดเวลานอนปอกไตทุกวันทุกวันเลย แต่ตายนะถ้าตายจะลงอเวจี G. เอาระหว่างฟอกตายกับลงอเวจีไหนเดียวกันใช่ไหมฟอกทุกวันเลยนะี่ดูนี่ไงท่านถึงบอกว่าที่บอกว่าหลานนะ่ยอาตายไปก่อนแล้วไปเกิดเป็นเปรตแต่ได้ทําความดีไว้บ้างก็ได้ม้าขาวแต่ไม่มีเสื้อผ้าได้ควอบม้าขาวควอบม้าขาวมาบอกหลานหลานก็ถูกเสียบจากไม้เสียบทวารเข้าไปเนะี่ยจุอยู่แค่ตรงนี้ ก็ร้อโอ้อยากตายจังโอ้อยากตายจังเว้ยเนะี่ยน้าก็มาบอกว่าร้านกั้นก็ไว้อย่าเพิ่งตายถ้าตายเองลงเว้จีอันนี้ศุกที่สุดแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะศุกเท่านี้แล้วทนเขาไว้อย่าตายเด็ดขาดนะจะตายลงนรกเลยเข้าใจไหมนั่นเป็นมนุษย์ที่บอกทุเนะ่ะทนเขาไว้ทนรออย่าเพิ่งตายน่ากลัวไ้ยกลัวต้ยู่จะกลับบ้านเก่าใช่ไหมตอนเนี้นะ ฉะนั้นเราจะทุ ก, กะทนว่าอยู่กับทุกขเวทนาระดับนี้ดีกว่าจะไปอยู่กับทุกขเวทนาที่มันมีปริมาณถ้าถ้าปัจจุบันนี้สมมุติเราทุกขเวทนาสักห้าสิบองศาทุกมากแล้วใช่ไหมถ้าไปอยู่ร ะ, ระดับห้าร้อยองศาเป็นยังไงงั้นถ้าเราทุกขเวทนาแล้วเราถ้าได้เป็นพระโสดาบันพระสกท า, าคาพระนาคาเป็นพระอรหันต์การตายไม่ไม่ประหลาดของท่านแ้วเพราะท่านได้หยุดได้ดี แต่ถ้าเป็นบุญชนเนี่ยถ้าตายแล้วเสียหายมากถ้ายิ่งกุศลไม่ดีพอนะทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลบารมีธรรมที่สั่งสมอบรมมาไม่เพียงพอถ้าตายวันไหนแล้วยกเงินนั้นเนยเริ่มคิดใหม่นะรีบบำเพ็ญกุศลในต่อเนื่องอย่าบ่หมาดวันวันหนึ่งเนี่ยเก็บเกี่ยวให้มากที่สุดประเภทที่หลับตาเออลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยมองอะไรให้มันเป็นบุญได้อะได้ยิงเสียงให้ก็ปั่นลงกระแสบุญได้หมดนะ เสียงมากระทบทางทวารตาเออเขอไปรูปเนี่ยมันกระทบทางทวารตาเสียงกระทบกระทวานหูไ้กลิ่นกระทบทางจรวงจ ม, มูกไงรสกระทบทางทวารลิ้นสัมผัสเย็นร้อนกระทบทางทวารกายทำมารมกระทบทางทวารใจหรือคิดนึกทางทำมารมนี่นะถ้าหมุนเป็นศีลสมาธิปัญญาได้นเนี่ยกระแสขันเนี่ยตายก็ปลอดภยัยได้ทุกๆขนาดได้ต่อเ น, นื่องนะตัวอย่างเยอะไหมตัวอย่างเยอะ ยกตัวอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างเช่นว่าเอาแล้วชีวิตประจําวันของเรานี่เนี่ยเราเดินออกจากห้องพอฟังธรรมเสร็จไวตอนนี้เราก็ทํากระแสบุญให้เกิดขึ้นได้จริงพอ ม, มานัสิการในการเดินออกจากห้องปุ๊บเนี่ยก็มานัสิการในการวันนี้เราได้ฟังว่าธรรมของพระผู้มีพระเจ้าเป็นต้นใช่ไหมการตึกการระลึกในลักษณะอย่างนี้แล้วก็ตั้งอัธยาศัยเลยว่าต่อไปนั้นข้าพเจ้าอย า, ากจะน้อมในการฟังธรรมของพระผู้ทธมีพระเจ้าทุกวันตั้งกระแสไว้เลยใช่ไหมตั้งไว้ แล้ในขณะที่เราเป็นไปเนี่ยก็เริ่มไข่ควรไข้ควรในลักษณะไหนไข่ควรในลักษณะว่าเออเนี่ยเราจะเห็นเราเราจะไข่ควรตัวเราเองและบุคคลอื่นเนี่ยหนึ่งจะต้องรู้ให้ได้ว่าตอนเนี้ยเรากําลังรับผลบุญหรือผลบาปอยู่นี่ประการหนึน่งสองเราต้องรู้ว่าตัวเราเองกําลังกายกรรมวจีกรรมมนโนก ร, รรมที่กําลังเป็นไปอยู่เนี่ยมันเป็นไปกับบุญหรือเป็นไปกับบาปนี่นีประการห น, น, นึ่งนะและในขณะเดียวกันถ้าเรา ดูพิธารมเธอลมภายนอกก็ต้องดูให้ได้ว่าตอนนั้นเขากําลังรับผลบุญหรือบุบาปหรือเขากําลังทําบุญหรือทําบาปถ้าเรารู้แค่สองจุดอย่างนี้นะแล้วก็มนาสิกานี่บอดอันนี้แปลว่าเห็นบุญเห็นบาปสัตว์โลกเนี่ยโลกใบนี้เป็นที่ดูบุญดูบาปโดยแท้ท่องกันไว้ในใจเนี่ยโอ้เป็นที่ดูบุญดูบาปในโลกใบเนี้ยเป็นที่ดูบุญหรือบุญโลกภายในก็เป็นที่ดูบุญดูบาป โลกภายนอกก็เปที่ดูบุญดูบาปสรุปแล้วทั้งโลกภายในทั้งโลกภายนอกใช่ไหมทั้งขันทั้งอัดชัตตะคือภายในแล้วไปหีทะทั้งภายนอกเป็นที่ดูบุญดูบาปแล้วก็มานสิการเพราะดูบุญดูบาปนี่มันจะ ด, ดู2 ส, ส่วนส่วนที่เป็นเหตุกับส่วนที่เป็นผลแค่นี้มันก็เริ่มได้ดีแล้วใช่ไหมเราไปที่ไหนบ้างที่ไม่เห็นที่ไม่เห็ น, หนบุญบาปมีไหมขนาดเข้าห้องน้ำเห็นยิ่งจกวิ่งมาทักก็ยังรู้เลยว่าเนี่ยบุญบาปใช่ไหม ผลบุญผลบาปแล้วเรากําลังทําบุญทําบาปอะไรนะใช่ตรงนั้นอ่ะในอันนี้เขาเรียกว่ากรรมมศกตาปัญญาทีนี้เวลาเราเข้าใจในเรื่องของบุญและบาปเนี่ยเราจะน้อมถึงอะไรน้อมถึงพุทธคุณใช่ไหมบอกพระพุทธเจ้านี่ผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นใช่ไหมผู้เป็นศาสดราเอกของโลกเนี่ยเพราะโอ้เพระองตัดตรัดคําไหนก็จริงแท้เลยแต่ก่อนเราไม่เคยมองเห็นสัตว์กําลังทําบุญทําบาปเลยนะเนี่ย เขากำลังยืนกําลังเดินกําลังนั่งกำลังนอนเนี่ยมีกำลังกระพริบตาอ้าปากคู่เหยียดก้มเงยเป็นต้นเหล่านี้ใช่ไหมอันนี้สัตว์นั้นกําลังใช้อะไรอยู่ใช้กายกรรมใช่ไหมไอ้กายกรรมนี่มันมาจากจิตยีดวงเนี่ใช่ไหมกลุ่มอกุศลสักสิบกลุ่มมหากุศล8เริ่มเห็นบุญบาปแล้วเี๋ยวนี้โอ้โหสัตว์กำลังทําบุญทําบาปอยู่นี่ในขณะเดียวกันเขากําลังบางทีก็เห็นบางคนก็ถูกด่าบางคนก็ถูกชมใช่ไหม บางคนเขากําลังได้ดิบได้ดีบางคนก็เสียหายเพราะวิบัติใช่ไหมแล้วก็เห็นโอ้โหเขากําลังรับผลบุญผล บ, บาปในขณะเดียวกันเขาก็กําลังทําบุญทําบาปอยู่อ้าแล้วกระแสขันของเราเราก็กําลังทําบุญทําบาปอยู่แล้วก็กําลังรับผลบุญผล บ, บ, บ, บาปอยู่ชัดไหมอย่างเงี้ยเริ่มชัดขึ้นนะฮะพอเริ่มชัดขึ้นเนี่ยควรอยู่แค่นี้ไหมคนต่อไปเรื่อยๆไหมคนใไขคนไปเรื่อยๆถามว่าผลของบุญมีมีท่านผู้หนึ่งแต่เป็นคนมีเงินเนี่ยนะ ถูกส่งไปเรียนต่างประเทศพอไปเรียนต่างประเทศเขาก็สร้างเหมือนคล้ายคาลือหให้เธออยู่นะนี่โยมก็เล่าอีกบงังพอไปอยู่ปุ๊บในเธอก็มองเห็นคนก็เดินกวาดฝ่ายไปมาเอ้ถ้าหลายคนก็จะไม่ดูบุญดูบาปเป็นนะนี่เธอดูบุญดูบาปเป็นเธอแล้วอัธยาสัยเดิมน่าจะดีเธอคิดว่าเอ๊ะเราที่มาได้ดีบได้ดีมาจากผลบุญนะเนี่ยเอ้ยผล บ, บุญเนี่ยมันหมดเป็นหรือไม่เป็นเอาเริ่มคิดแล้ว เอ้มันหมดเป็นถ้าขืนเราประมาทอย่างนี้เดี๋ยวก็หมดแม่ก็กลับมาอย่างนอเธอทําบุญใหญ่เลยจเจริญกุศลอย่างต่อนู่นู่มืเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่ามันเกิดขึ้นจากการดูบุญดูบาปอันนี้ต้องคิดทุกวันไหมวันนึงต้องดูบ่อยๆถามว่าเราได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มีชีวิตกับสัตว์และสังขารที่ไม่มีชีวิตเนี่ยตลอดเวลาเลยไหมก็สามารถวิจัยได้ตลอดไหมเอาแล้วไปนั่งทํา อ, อะไรอยู่ถึงไม่ยอมีจ่จะยเออทาไมเพื่อทำไม ไปนั่งทําอะไรกันอยู่ไปคิดอะไรอยู่แล้วจะมาหรือไม่ว่างงานเยอะมองคลบอกโอ้โหงานเยอะแล้วเกินไม่ว่างเลยว่าแม่เนนะี่ยเอามายังพูดรอเนะี่ยยังยังหายใจได้อยู่มั้ยหมอยังหายใจได้อยู่แล้วคิดทําไมยัไม่ได้ใช่ไหมได้คิดด้วยข้อมูลโดยเข้าใจยอมได้ไหมได้ใช่ไหมสามารถวิจัยได้นี่เราก็กําลังทําบุญทาบาปอยู่นี่เอาในขณะเดียวกันบางทีเราเถียง เทียงกับลูกก็ได้เท <c oughs> ียงกับแม่บ้านก็ได้แม่บ้านเทียงกับเราก็ได้เถียงกับเพื่อนก็ได้เพื่อนกับเราก็ได้บางทีเราขายของคนมาซื้อของเราเถียงกับคนขับคนมาซื้อของได้ไหมเรากําลังทําบุญหรือทาบาปเขาเข้ามาต่อหน่อยอต่อยี่แปลว่าไหนะขาบอกว่าไอ้เนี่ยเขามาเรามาขายบมดยี่สิบาทก็บอกสิบาทได้ไหมโอ้แค่นี้กดเขาจะ <c oughs> แค่เขาต่อสิบบาทกดจะแล้วแค่นี้เราก็รู้เลยจะไม่ว่าเรากําลังทําบุญทําบาป แสดงเราเราเคยทำบาปไว้นี่ยนอนถึงได้รับรถขายยี่สิบเนี่ยเขามาขอรถตั้งสิบเนี่ยแสดงเราเคยทำไม่ดีไว้เนี่ยนอนใช่ไหมอยู่ๆเขา ม, มาขอรถเกินครึ่งกนันนั่นถ้าไม่มีเหตุปัจจัยมาใช่ไหมใช่เราโอ๊ยผลบาปนี้น่าเกลียดจริ ง, รงๆอะไรต้องขอรถตั้งครึ่งหนึ่งใช่ไหมใช่จะขายที่อ่ะฮัลอหลทวานโอ๋เราบอกให้ขอขายที่ออกมาไม่ต่อจนครับอย่ายนโทรศัพท์ทิ้งเลยเคยไหมที่บาปมันก็ส่งผลแบ น, นี้น บางทีมันก็มาทางมาทางเนี้ยบางทีนอนนอนอยู่มีมาทางโทรศัพท์เลยนะบาปส่งผลบางทีก็บุญก็ได้ใช่ไหมใช่เคยบางคนเนียวุ้นอ น, นอนๆอยู่มีบุญส่งผลเกาเนี้ยมันจะเป็นไปลักษณะ อ, อันนี้ประชมลงในชีวิตจริงได้ไงนะประชุมลงในชีวิตจริงได้แล้วก็สามารถที่จะไขขวนได้ตรงนี้ถ้าหาว่ากรรมสักตาสมาธิถีไม่ดีนะเรื่องวิปัสสนาเรื่องสมถะเรื่องบาวนาอย่าเพิ่งไปพูดไกลเกินตัวแล้ว ถ้าบุญบาปยังไม่ชัดแล้วไปวิปัสนาปรนคนลปัญญาคนละขั้นเข้าใจยังบุญและบาปเนี่ยมันขั้นปัจจะญาปริหายานแต่วิปัสนานั้นมันขั้นสมมสัยานอุทยพยายานมันไปแล้วเข้าใจยังดังนี่นะฉะนั้นบุญบาปต้องชัดแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่ให้เข้าไปเจริญหรือใครควรในความเป็นวิปัสนาเนี่ยไปได้แต่เพียงว่าถ้ามันขึ้นข้างบนก็ลงมาใครควรข้างล่างด้วย ขึ้นข้างบนไปถ้ามันมันยังไม่ละเอียดก็ลงมาไข่คนข้างล่างด้วยก็ใหญ่ไหมทีนี้ทิฏฐิวิสุทธิ์นี่นะมันเป็นอะไรเป็นยาตาปริญญาทิฏฐิวิสุทธิ์นี่เป็นอะไรเขาเรียกว่ายะถาภูตะยานทัศนะใช่ไหมหรือนามรูปปริเฉทะยานอันเดียวกันนะ่ะหรือทิฏฐิวิสุทธิ์นะ่ะหรือวิปัสนาปัญญามันจะเริ่มตั้งแต่นี้ไปทีนี้ถามว่ายาตาปริญญาในชั้นของ ในชั้นของยถาภูริยานทัศนะเนี่ยมีอะไรเป็นปาตรฐานมีสมาธิเป็นปาตรฐานนะอย่าลืมนะสมาธิหลายระดบนะับเนียอุปจาระก็ได้อัปนาก็ได้ถ้าอพนาที่ค่อนข้างที่เขาได้ผลกันมากที่สุดก็คือค อ, อพนาที่ในจตุตถฌานใช่ไหมใช่แต่โดยมากบางทีก็อุปจาระสมาธิที่ยังไม่ได้มีสมาบัตระดับปฐมฌานเป็นต้นก็ได้แต่นั้นก็เรียกว่าทิทิจิตตวิสุทธินั่นก็เรียกว่าสมาธิใช่ไหม สมาที่ก็มีสุขเป็นประทัดฐานสุขก็มีปสัสสติปสัสสติก็มีปราโมดเออมีปีติปีติก็มีปราโมดถึงไหมปราโมดเป็นปก็มีอะไรมีอวิปปิสารอาวิปติสารก็มีกุศลศีด้วยหลายชั้นไหมกุศลศีลอวิปปิสารปลาโมดปีติ